กึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่การสำรวมนี่แหละเป็นความดีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตตะสังวโรความสำรวมจิตเป็นความดี สัพพะสังวโรความสำรวมทั้งหมดสัพพุกขาประมุดเจติยอมจากพ้นจากทุกทั้งปวงได้เพราะพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นรู้จักสำรวมตนทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่า ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ท่องเที่ยวมาในสงสารไม่ค่อยมีการสำรวมตนเช่นมีจิตใจมาอยากคิดอย่างไรก็คิดไปอยากคิดโลภก็คิดไปอยากคิดโกรธก็คิดไปอยากคิดหลงก็คิดไปอยากคิดมัวเมาไปอย่างไรก็คิดไปไม่หาทางแก้ไขตัวเอง ไหลไปตามอำนาจของกิเลสไอคนส่วนมากว่กจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นแหละเมื่อพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นในโลกแล้วเพราะองค์จิงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นรู้จักสำรวมตนความสำรวมนี้ต้องสำรวมทุกเวลานาที ไม่ใช่มาสำมรวมแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นอันนี้เป็นการฝึกโดยเฉพาะอันนี้นะเมื่อฝึกนั่งสมาธิสำมรวมจิตได้ในขณะนั่งสมาธินี่แล้วออกจากสมาธิไปก็สำมรวมตนไปให้เป็นปกติไปอย่างนั้น นั่นจึงเรียกว่าสำรวมตนเพราะว่าไอความหลงนั่นนะมันคอที่จะมาครอบงำจิตใจได้อยู่เสมอไปพอเผลอสติเท่านั้นแหละความหลงก็เข้ามาแทรกทันทีทำให้คิดไปในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วผู้หนักไปในทาง ราคะตัณหาเอามันก็วิตกไปในความรักความใคร่ผู้หนักไปในทางโทสะพยาบาทมันก็วิตกไปในทางเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นผู้หนักไปในทางโมหะความหลงก็มักจะปล่อยจิตให้คิดซ่านไปทั่วไม่รู้จักยับยัง้งจิตตัวเอง ผู้ผู้ขาดการสำรวมแล้วมันก็เป็นอย่างว่านี่แหละดังนั้นนะทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วให้พึ่งเพิกสำรวมกายวาจาใจสำรวมตาหูจมูกกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้ในเวลา เห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นต้องฝึกเนะื้อเรื่องหู่นี้นะ่ะถ้าไม่ฝึกสํารวมแล้วมันแน่นอนเนี่ยพอตาไปเห็นรูปสวยๆมันก็รักใคร่ขึ้นมาอยากได้ขึ้นมาทันทีอย่างนี้แหละแม่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันนะเมื่อไม่สํารวมจิตแล้ว มันย่อมเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาพอเห็นรูปที่น่าเกลียดมันก็เกลียดชังขึ้นมาทันทีเลยจิตที่ไม่ได้สำรวมเป็นอย่างนั้นพอได้ฟังเสียงที่น่าเกลียดน่าชังก็เกลียดชังขึ้นมาพอได้ยินเสียงที่น่ารักน่าใครมันก็รักก็ใครขึ้นมาตื่นเต้นต่อเสียงนั้น พอมีกลิ่นหอมโชยมาสัมผัสกับจมูกเข้ า, เาก็ยินดีไปในกลิ่นนั้นแล้วพอกลิ่นเหม็นกระทบเข้ามาก็ยินร้ายแล้วพอได้สัมผัสกับของอ่อนนุ่มนวลเข้าไปอย่างนี้ก็ยินดีแล้วพอใจแล้ว พอได้ไปสัมผัสกับของแข็งของที่ไม่ศบอารมณ์ก็ไม่พอใจขึ้นมาแล้วอันนี้เราต้องเอาสติเข้าไปพิจารณากำหนดรู้เท่าไว้อย่าให้จิตมันหลงยินดียินร้ายไปตามทุกอย่างไปเลย สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปมันก็ต้องอย่างว่านี้แหละแต่ผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในขั้นกอไก้ขอไก่นี่ก็ขอให้ยินดีแต่ในสิ่งที่มันไม่เป็นบาปเป็นโทษเท่านั้นก็ยังนับว่าไม่ให้โทษอย่างร้ายแรงเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสในโลกนี้ สิ่งที่มันให้โทษก็มีอยู่สิ่งที่ไม่ให้โทษก็มีคือเรียกว่าที่ไม่ผิดศีล น, นะก็มีอย่างนั้นแหละไอ้ที่มันผิดศีลไปก็มีนี่ทุกคนมันต้องเทียบกันเอาอมเมื่อตายเห็นรูปอย่างไรมันผิดศีลนนะ่ะนั่นแหละ เช่นไปเห็นเมียเขาสวยๆล้วอยากได้อย่างนี้นะนั่นแหละมันมันผิดศีลแล้วเ <c oughs> ช่นไปได้ฟังเสียงภรรยาเขาขับร้องติดสีตีเป่าเอา้าเกิดชอบใจขึ้นมาแล้วมูนี้แหละสำหรับผู้ครองเรือน <c oughs> มันต้องพิจารณาให้รู้เมื่อพิจารณารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรสำรวมอย่าง น, นี้มันก็ต้องสำรวมจิตแหละห้ามจิตไว้ไม่ให้มันวิตกไม่ให้มันพอใจไปในสิ่งที่มากระทบตาเป็นต้นดังกล่าวมานั้น ถ้าหากว่าบุคคลมาสำรวมใจนี้ได้ซะอย่างเดียวเท่านั้นแหละก็เท่ากับว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายนี้ได้ไปในตัวอะไรเพราะว่ามันมีใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นอ่าถ้าสำรวมใจได้แล้วใจสงบลงได้จากเรื่องนั้นแล้วก็เป็นนั้นว่าสงบไปหมดเลยแม้ว่าตามันจะได้เห็นรูป สวหรือรูปที่ร้ายอะไรก็ตามแต่จิตมันก็ไม่ยินดียินร้ายไปตามเพราะว่าห้ามจิตตัวเองได้แล้วนี่ทุกคนเพราะฉะนั้นเน่ยไม่ว่าคารพหัดไม่ว่านักบวชให้รู้จักห้ามจิตตัวเองให้ได้ในขณะที่รู้ว่าถ้าปล่อยจิตนิคิดไปในเรื่องนี้จะเป็นบาปจะเป็นโทษผิดศีลผิดวินัย อย่างนี้แล้วก็รีบห้ามจิตของตนทันทีเลยเ อ, อมันต้องอย่างนั้นอันผู้ปฏิบัติทมในพุทธศาสนานี่นะต้องรู้จักสำรวมตนอย่างนั้นไอคนที่มันทำชั่วได้อยู่ในโลกอันนี่นะก็เพราะมันขาดการสำรวมตนนั่นเองมันไม่รู้จักสำรวมตนไม่รู้จัก หักห้ามจิตใจตัวเองอ ม, มันถึงถูกกิเลสป่าประธรรมมันฉุดคล้าเอาไปเลยให้บังคับกายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าวินัยหรือข้อสินทั้งหลายนั่นเมื่อบุคคลสมทานมั่นลงไปแล้วมี ส, สมติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังไม่ให้ร่วงเกิน เช่นนี้นั่นแหละเรียกว่าเป็นการสัมรวมตนเลยทีเดียวสัมรวมตนจากบาปโทษต่างๆไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นในจิตใจถ้าหากว่าศีล น, นี่สมปานแล้วแต่ขาดการสัมรวมขาดสติสัมปชัญญะสำรวมจิตใจตัวเองแล้วเช่นนี้นะศีลมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ แม้จะสมัานสักกี่ครั้งก็ตามมันก็ย่อมด่างพร้อยว่าอย่างยังไม่ขาดก็ด่างพร้อยเศร้าหมองหรือส่วนมากมันก็ขาดนั่นแหละแค่นี้สินขาดไม่ใช่ว่ามันได้ประสบภัยพิบัติทันทีเลยถึงความวิบัติอย่างโน้นอย่างนี้ทันทีเลยไม่ใช่นะ นี่แหละคนมันชะลาใจอ่ะแมอว่าไปล่วงศีลข้อใดข้อหนึ่งลไปแล้วมันก็เฉยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น อ, อย่างนี้เราเลยเข้าใจว่ามันไม่เป็นบาปเป็นโทษคนเราเป็นอย่างนั้นส่วนมากนะที่มันล่วงศีลเน่หาได้สำนึกไม่ว่าไอ้โทษทั้งหลายหรือบาปกรรมทั้งหลายเนะี่ย มันไม่ใช่ว่ามันให้ผลทันทีเลยทุกกรณีไปอ่ะไม่ใช่แต่บางกรณีก็ให้ผลทันทีเลยก็มีมันต้องเข้าใจสําหรับผู้ศึกษาเนื่องจากว่าชีวิตของคนเรานี่น่ะมันมีบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทํามาตัชาติก่อนนั่นมันกําลังให้ผลอยู่ในปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นบาปหรือบุญที่บุคคลกระทาในปัจจุบันเนี่ยมันยังยังให้ผลไม่ได้ก่อนมันต้องรอไปให้ผลต่อเมื่อหมดบุญหมดกรรมที่ผู้นั้นได้ทํามาแต่ชาติก่อนน้นลงเมื่อใดบุญเก่าบาปเก่าไอ้บุญใหม่บาปใหม่ที่บุคคลกรนะทําน่ะมันถึงให้ผลได้สืบต่อไปแบบนี้อให้เข้าใจตามนี้ ผู้ใดเข้าใจตามนี้แล้วก็จะได้เกิดความระอายใจหรือเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวในการที่จะทําความชั่วใส่ตัวเองเพราะว่าเมื่อการทําความชั่วใส่ตัวแล้วนี่ในสำนวนหนึ่งท่านเรียกว่าตราบาปผู้นั้นมีตราบาปติดตัวอยู่ติดใจอยู่นั่นนะเพราะว่าตนทําลงไปแล้วนั้นไม่ใช่จะลืมเลือนนะ ร ล, ลึกถึงเมื่อใดก็รู้ได้เมื่อนั้นแหละอเช่นอย่างไปลักของเขามาอย่างนี้นะนึกถึงเมื่อใดมันก็มันก็รู้ได้เมื่อนั้นหรือว่าไปยิงเขาตายมาอย่างนี้นะมันจะไปลืมได้อย่างไรละ่ะนั่นแหละสําหรับผู้ที่ระลึกถึงบาปกรรม น, นั้นได้แล้วจะร้อนใจเลยว่า บาปนี้ต้องตามสนองตนให้เป็นทุกแน่นอนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอนะ่ะอย่าไปเข้าใจว่าบาปกรรมที่บุคคลกระทำแล้วมันเมื่อเราลืมไปแล้วมันก็แล้วไปหรอกอย่างนี้นี่มันเข้าใจผิดแท้ๆเลยมันไม่ได้สูญหายไปไหนมันฝังอยู่ในจิตใจนั่นแหละไอ้บาปกรรมนะี่ยมันจะระงับไปได้นั้น ต่อเมื่อบุคคลใดระลึกได้แล้วก็สารภาพลงไปว่าตนได้ทำผิดอย่างนั้นจริงๆแล้วต่อนี้ไปจะขอสำรวมระวังจะไม่ทำกรรมชั่วอย่างนั้นอีกต่อไปมันอธิษฐานใจละอย่างนี้เสมอเสมอไปแล้วไม่ไม่ทากรรมชั่วอย่างนั้นเพิ่มเติมเข้ามาอีกต่อไปนี่แหละมันถึงมีทางละ กาชั่วอนันต์ได้ถ้าทำเฉยเมยเรื่อยๆไปแล้วไม่มีทางแหละกาชั่วนั้นมันจะถอนออกไปจากกิจใจนี่นะมันจะต้องติดตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในภพในชาติต่อไปทีเดียวนี่วิธีละบาปนะให้พึ่งพางเข้าใจเมื่อผู้ใดได้ลุ่มหลงกระทำบาปมาแล้วนะ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีมันมีหนทางที่จะละได้อยู่อันบาปชนิดที่เป็นละหุ ก, ก ร, รมนะนี่ว่าก ร, รมเบาหรือว่าบาปอย่างเบาส่วนบาป ท, ที่เป็นระหู ก, ก ร, รมกรรมหนักนั่นนะถึงอย่างไรก็ละไม่ได้ในปัจจุบั น, นชาตินี้นะ มันจะต้องตามสนองให้เป็นทุกข์แน่นอนเช่นบุคคลฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอระหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโรหิตในห่อขึ้นไปยังสงให้แตกจากกันกรรมห้าอย่างนี้เป็นบาปเป็นบาปอันหนักที่สุดห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานตั้งอยู่ในฐานปาราชิก ของผู้นับถือพระพุทธศาสนา <c oughs> เช่นเดียวกันกับพระที่ต้องอาบัติปาราชิกนั่นแหละนี่ก็เป็นครุกรรมเป็นกรรมหนักเลยทีเดียวตายแล้วก็ไปตกอเวจีนุ่นนะบุคคลผู้ต้องอาบัติปาราชิกนี่นั่นเป็นอย่างนั้น เหมือนกันแหละกข บ, บุคคลผู้ไปฆ่ามารดาบิดาเป็นต้นดังกล่าวมานั้นตายแล้วก็ไปสู่อเวจีแน่นอนเลยไม่มีทางหลีกเลี่ยงแม่บุคคลนั้นจะทําบุญกุศลทําความดีมากมายสักเท่าไหรในชาตินี้ก็ไม่มีทางพ้นเลยให้พึงสังวรระวังกรรมชั่วอันหนักดังกล่าวมานี้นะผู้ที่รักชีวิตของตัวเอง ไม่ปรารถนาที่จะให้ตนตกไปสู่ห่วงแห่งความทุกข์อย่างร้ายกาจอย่างนั้นแล้วต้องระมัดระวังทีเดียวอะถ้าไม่สำรวมแล้วหากว่าปล่อยให้ความโกรธมันครอบงําจิตใจเต็มอักลาแล้วอย่างนี้ใครจะยืนยันได้แล้วว่าบุคคลนั้นจะไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองได้อนะ <c oughs> หรือบางคน เดิมเล่าเมาจนลืมสติไปเลยอย่างนี้เราก็ไปพานทะเละกับพ่อกับแม่เข้าไปอย่างนี้จะรับรองได้หรือว่าจะไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยความไม่สำรวมมันเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมมันชั่วร้ายได้เหมือนกันนะอ่อย่าไปซาลใจอย่าไปนอนใจว่าเรานี่จะไม่ทำแล้วกรรมอย่างนั้นนะ่ะอืา มันไม่แน่นอนนะถ้าขาดการสำรวมเน่ยปล่อยให้โทษาพยาบาลครอบงำจิตใจเต็มที่แล้วนั้นมันสามารถทำได้ให้เข้าใจแต่ถ้าผู้ใดรู้จักหากข้ามจิตใจตัวเองหากว่าตนเองยังละความโกรธให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้เผลอๆแล้วมันเกิดขึ้น พอรู้ว่ามันเกิดขึ้นเราก็รีบห้ามใจทันทีสะกดจิตไว้อดกั้นทนทานไว้ไม่ให้ความโกรธนั้นมันรุนแรงขึ้นอย่างนี้มันก็จะไม่ได้ทําบาปหนักดังกล่าวมานั้น <c oughs> และบางทีก็จะไม่ได้ทําบาปอย่างอื่นอีกด้วยบุคคลผู้ห้ามจิตของตนจากความโกรธได้ อันนี้พูดถึงความสำรวมระวังอันนี้ก็อาศัยสติสัมปชัญญะ น, นี่แหละ ม, มันจึงสำรวมได้ถ้าบุคคลใดไม่ใส่ใจเรื่องสติสัมปชัญญะ น, นี้แล้วจะสำรวมไม่ได้เลย<ม>คือเป็นผู้มีสติคอยระมัดระวังตาหูจมูกลิน้นกายใจระวังความประพฤติ ท, ทางกายระวังคำพูดทางวาจา อยู่ทึกทุกิริยาบทเลยทีเดียวอนะระวังแต่มันจะเผลอไปทางชั่วนะนะนี่เราตั้งใจไว้อย่างนี้เรื่องมันเนอะมเมื่อผูใ้ใดตั้งใจไว้อย่างนี้มันมีการระวังอยู่เสมออย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเผลอไปในทางชั่ววันนี้นั่นเมื่อมันไม่เผลอไปทางชั่วแล้วกีเล คือความโลภความโกรธความหลงมันก็ไม่เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของผู้นั้นได้มีแต่มันจะอ่อนกำลังลงไปอันที่มันมีอยู่แต่ก่อนแล้วนะนะแล้วเมื่อไม่สะสมขึ้นมาใหม่อย่างนี้นะกิเลสเหล่านั้นมันก็มีแต่จะอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆนี่แหละอา น, นิสงส์แห่งความสารวมนะให้พึ่งพากัน พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจ <c oughs> <c oughs> เดินไปก็มีสติสมัชย์ยะกำหนดรู้ตัวว่าตนเดินไปอยู่ยืนอยู่ก็กําหนดรู้ว่าตนยืนอยู่นี่นั่งอยู่ก็กําหนดร้อรู้ว่าตนนั่งอยู่ในอิริยบทนี้นอนลงไปก็กําหนดรู้ตัวอยู่ว่าตอนนอน แล้วกําหนดรู้ว่าตนมีศีลอยู่ทุกอิริยาบถตนไม่ได้ทําบาปตนไม่ได้โกรธใครไม่ได้พยาบาทใครก็รู้ตัวอยู่ตนมีเมตตากรุณาต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอไปนี่คําว่ารู้ตัวนะรู้ว่าจิตใจของตอนเป็นธรรมอยู่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ ไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆนะต้องรู้ว่าจิตของตนนั้นไม่ได้หมุนไปในทางบาปอากุศล <c oughs> อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้สำรวมตน <c oughs> แม้ทำการงานอะไรอยู่ก็ตามก็มีสติสำรวม กายสํารวมวาจาสํารวมจิตใจอยู่อย่างนั้นนั่นบางคนนะ่ะเมื่อไม่ได้เข้าสังคมนั่นก็สํารวมตนดีอยู่คันเมื่อเข้าสังคมไปแล้วมีเพื่อนอชักจูงให้เพลิดเพลินเจริญใจให้ร่าเริงบันเทิงเกินขอบเขตเช่นนี้แล้วก็ลืมตัวแล้วบ้านี้ก็ลืมตัวไป เลยไม่ได้สำรวมกายวาจาใจเลยวันนี้เพอมีเพื่อนผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอาการกิริยาหยาบรนกระทบกระทั่งกับตนเข้าเอาแล้ววันนี้จิตใจวันไ ว, ว้ทันทีเกิดโต้เถียงกันเข้ากระทละกวิวัดกันไปทำสังคมมะนั้นให้แตกล้าวกันไปเลย อ, อย่างนี้แหละ หรือทำการงานอะไรอยู่ก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อบุคคลไม่สารวมจิตใจแล้วเวลามีเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามาแล้วก็ทั่งเน็ดเหนื่อยในการงานด้วยอย่างนี้มันก็โทสะอ น, นี้มันก็เกิดขึ้นทันทีเลย <c oughs> อันนี้แหละคนเราทำงานการร่วมกันอยู่แล้วบรรดาโทสะถึงกับทุบตีกันฆ่ากันตายได้ มันมีอยู่ถมไปอะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึ่งสำรวมระวังตนให้ดีผู้ขาดการสำรวมแล้วมันย่อมถึงความวิบัติได้ง่ายาไม่น่าจะถึงความวิบัติมันก็วิบัติไปเช่นอย่างคนไปดื่มเหล้าเมาสุราแล้วอย่างนี้นะ เหมือนขาดสติสัมปชัญญะขาดการสำมรวมกายวาจาใจเลยทำอะไรพูดอะไรไปไม่รู้ตัวอะไรเช่นขับรถขับราอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่รู้ตัวเผลอตัวนิดเดียวรถดกด็วิ่งผิดทางแล้วไปชนคนเข้าไปชนต้นไม้ไปคว่มลงไป หาคนหมู่มากที่นั่งไปในรถตันตายกันเยอะแยะนี่โทษแห่งการขาดการสำรวมระวังโทษแห่งการดื่มน้ำเมาต่างๆนี่โอ้ยเหลือที่จะคานาแต่ถึงกขนั้นคนก็ยังไม่ยอมหยุดยัง้งในการส่องเสพของมึนเมาเลยอ <c oughs> ผู้เช่นนั้นน่ะได้ชื่อว่าไม่รักตนแม้แต่น้อยเดียวทำลายตัวเองให้ย่อยยับลงไปเกิดมาในชาตินี้ท้งชาติเอาดีไม่ได้เลยมีแต่ไปซ่องเสพของมึนเมางงอมเงมไปทำความเจริญให้แก่ตัวเองไม่ได้เลยดีไม่ดีก็ตายโหงไปซ้ำ อันมูนี้นะต้องเตือนตนเสมอนะอย่าไปชะล่าใจ <c oughs> อย่าไปนึกว่าตนนั้นไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ประมาทไม่ได้ต้องเตือนตนไว้เสมออย่าไปครบคนพานเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นคนพานคนเราได้เป็นทำตนเป็นนักเลงเจ้าชู้ มักมากในกามทั้งหลายกินไม่เลือกบุคคลใดบําเพ็ญจนเป็นนักเลงสุราดื่มเอาจนติดงอมแงมไปเลยหยุดไม่ได้บุคคลใดบําเพ็ญจนเป็นนักเลงเล่นการพนันจนหามรุ่งหามค่ําจนหมดเนื้อหมดตัวบุคคลใด เป็นผู้ส่องเจ็บความชั่วดังกล่าวมานั่นแหละนั่นแหละท่านเรีว่าคนผานไม่ควรไปคบหาสมาคมกับบุคคลเช่นนั้นควรหลีกเลี่ยงอันนี้นะพ่อเป็นกิเลส ช, ชั้นหยาบหยาบที่คนเราส่วนมากมักจะล่าเลยไปเลย ไม่ค่อยจะทวนกระแสจิตเข้ามาคิดมามองดูกิเลสหยาบๆเหล่านี้ดังนั้น่จึงได้นำมาแสดงตักเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ในที่นี้ก็เพื่อให้รู้ตัวเพื่อให้เตือนตนไว้เสมอสำหรับบุคคลที่ยังไม่ ไ, มได้บรรลุอริยสัจธรรมนี่นะมันไว้ใจไม่ได้เลย จิตใจนี่มันอาจกลับกอกไปทำกรรมชั่วเมื่อใดก็ได้ไม่แน่นอนเลยแต่ถ้าหากว่าผู้ใดถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุอริยสัจธรรมแต่เมื่อมาฝึกสติสัมปชญัญญะนี่รวมตนเสมอเสมอไปอย่างนี้นก็ก็จะไม่ได้กระทำกรรมชั่วดังกล่าวมานั้น จะไม่ได้ทำตนให้ถึงซึ่งความวิบัติจากความสุขความเจริญ <c oughs> พอที่จะทำความเจริญให้แก่ตัวเองได้ในชีวิตที่เกิดมาแต่ละชาติถ้าบุคคลใดได้ทำตนเป็นนักเลงดังกล่าวมาแล้วนั้นไม่มีทางหรอมันจะได้มาบำเพ็ญบุญกุศลจะได้มาปฏิบัติตาม พุทธโอวาทศาสนานี้ได้ไม่มีผู้ที่มาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นั้นล้วนแต่เป็นผู้เว้นจากความเป็นนักเลงสี่ประเภทนั่นแหละผู้ใดเว้นจากความเป็นนักเลงดังกล่าวมานั้นแล้วแสดงว่าเป็นคนเป็นคนดีจิตใจก็ดี เป็นคนรักชีวิตของตัวเองปรารถนาอยากจะให้ตนเองนั้นถึงซึ่งความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงได้เว้นจากความชั่วอันหยากคายต่งางๆเหล่านั้นด <c oughs> ังผู้เทหันหน้าเข้ามาทนุบำรุงวัตราศาสนาอยู่ ถึงกรมาได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระผู้เเจ้าเนี่ยร้วแต่เป็นผู้รักตนทั้งนั้นแหละเป็นผู้ปรารถนาที่จะยกตนให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารให้ได้บรรลุถึงซึ่งความสุขอันเป็นแก่นสารจริงๆเป็นผู้ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในความสุขชั่วคราว <c oughs> ความสุขในการกินความสุขในการนอนความสุขในการเพลิดเพลินในมหารศพครบกันต่างๆ <c oughs> ความสุขในการมีเงินมีทองมากๆและสนุกใช้สนุกใจมูนีนักปราชท่านกล่าวว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเล็กน้อย ไม่ใช่เป็นความสุขอันเป็นแก่นสารอันผู้ที่แสวงหาความสุขอันเป็นแก่นสารนั่นมันก็จะต้องสละความสุขพอประมาณนี้ออกไปจากกิจใจหมายความว่าไม่ติดไม่คล้องอยู่ในความสุขพอประมาณแม้ว่าจะได้รับความสุขพอประมาณนั้นก็เลือก ก็เลือกยินดีกับความสุขพอาประมาณ <c oughs> เช่นอย่างว่าสุขในการกินอย่างนี้นะ เ, าเราก็กินพอประมาณน่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ติดรสชาติของอาหารเหล่านั้นแ <c oughs> ม้สุขในการนอนอาการนอนนี่มันก็มีความสุขเหมือนกันแหละ แต่ผู้ไม่ติดในการนอนนั้นหมายความว่าฝึกหัดนอนเอาพอประมาณที่มาทำความเพียรละอาสวะกิเลสออกไปจากจิตใจ <c oughs> กลางวันก็นอนเอากลางคืนมาก่อนอนเข้าไปอีกอย่างนี้น่ <c oughs> เอาเวลานอนมากกว่าเวลาทำการงานอย่างนี้ มันก็ไม่มีทางแล้วมันจะได้ทํากุศลคุณงามความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนได้อย่าว่าแต่มักผลธรรมวิเศษเลยแม้แต่จะบําเพ็ญบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี่ก็บําเพ็ญให้เจริญขึ้นไม่ได้เลยร่วมบุคคลเรานีนเมื่อเกียรครับเห็นแต่เกลับเเกนอนแล้วก็มีจิตใจเศร้าหมองแล้ว ไม่มีสติปัญญาอะไรอ่ะ <c oughs> คนมักลับม่กนอนนั้นหมายถึงคนขี้เกียจคิดนึกตึกตรองไม่อยากจะใช้วิจารณญาณเลย <c oughs> คนใช้ความคิดคนใช้วิจารณญาณ น, นี่นอนน้อยคนเหล่านี้เนะ่ะนอนไม่มาก <c oughs> คนที่ไม่ชอบคิดชอบนึกอะไรเนี่ยนอนมากเนี่ยนอนเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุคคลที่ไม่มีสติปัญญาคนเราเนี่ยเมื่อไม่มีสติปัญญาแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เลย <c oughs> เพราะว่าใครเราจะไปตามเน้นำสั่งสอนตนอยู่ตลอดเวลาใครจะไปบังคับให้ตนละความทั่วทำความดี ไม่มีในโลกอันนี้นะมีแต่ตนของตนเท่านั้นแหละบังคับตัวเองถ้าตนไม่บังคับตนเองแล้วก็แล้วแหละผู้นั้นก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไปเลยอย่างเช่นการทำสมาธิอย่างนี้นะนันถ้าเกิดความเกียกคร้านขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ไม่นั่งแล้ว หรือว่านั่งภาวนาไปหน่อยหนึ่งพราะจิตใจไม่สงบแล้วก็หูดหิตขึ้นมาหยุดเสียอย่างนี้ใครไปบังคับได้ละ่ะแต่ตนเองยังบังคับตนเองไม่ได้แล้วผู้อื่นก็บังคับไม่ได้แล้วแต่ถ้าตนเห็นว่าจิตใจในี่มันดื่อด้านเนี่ยมันไม่ยอมน้อมลงไปสู่ทำสู่คำสอนของอุเจจร มันซ่องเสบกับกิเลสมันเอากิเลสเป็นเพื่อนนั่นแหละมันจะพาไปสู่ทุกครู้ตัวเตือนตนได้อย่างนี้แล้วก็สะกดมันลงไปแล้ววันนี้นะคอมอมันลงไปแล้วไม่ยอมปล่อยให้มันไหลไปตามอานาจของกิเลสนั่นนั่นเลย <c oughs> อย่างนี้เรจึงเรียกว่าฝึกตนนะให้เข้าใจ มันจะยากลำบากเลยก็สู้การสะกดจิตคมจิตที่ฟุ้งซ่านให้สงบลงไปตายเป็นตายเอาตายกับนี้แหละตายกับที่นั่งนี่แหละถ้าจิตไม่สงบลงอะ่ะต้องอธิษฐานใจลงอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจให้เด็ดเดียวลงอย่างนั้นแล้วไม่มีทางหรอก อที่มันจะทำใจสงบใจอ่ะ <c oughs> มันต้องฝึกใจของตนให้เด็ดเดียวให้กล้าหารอวิสัยของนักป ร, ราดทั้งหลายท่านย่อมฝึ ก, กจิตใจของท่านให้เป็นคนเข้มแข็งกล้าหารพระพุทธเจ้าทรงเปรียบ นักปราดทั้งหลายเหมือนอย่างม้าอาชานใยช้างอาชาในนี่มาอาชานใยช้างอาชานใยนี่สอนง่ายฝึกง่ายแล้วก็จงรักจงรักพักดีต่อเจ้าของอเพราะฉะนั้นแหละจึงเป็นผู้มีกําลังเข้มแข็งมากม้าอาชานใยช้างอาชานใย สมัยโบราณ น, นั้นพระราชาชอบส่งมาอาชานายช่างอาชาไนานี่แหละเข้าสู้รบกับข้าศึกศัตรูได้ชัยชนะมาอันนี้ฉันใดคนเรานี่ก็จงเป็นคนอาชาไนาให้ได้การที่จะเป็นคนอาชาไนาได้ก็เพราะ ฝึกตนนี้เองแหละสำรวมตนนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีนี่ไม่ปล่อยให้จิตของตอนหมุนไปความหาทางแห่งความชั่วอันใดเป็นความดีแล้วเราพอใจทั้งนั้นน้อมใจมั่นอยู่ในความดีนั้นๆไม่ท้อไม่ถอยเมื่อพยายาม บังคับจิตตัวเองให้มั่นอยู่ในขุศลความดีเข้าไว้ได้เท่าไหร่จิตนี่มันก็มีกําลังเข้มแข็งเท่าเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าไม่ฝึกฝนไม่ทําความดีแล้วจะให้ใจมันเข้มแข็งขึ้นเองไม่มีทางนะให้เข้าใจเอาการให้ทานอย่างนี้นะมันก็ทําให้ใจมันกําลังใจเข้มแข็งขึ้น ด้วยมานึกถึงทานการให้ที่ตนบริจาคมาการรักษาศีลความสำรวมกายวาจาใจไม่เจตนาทำความชั่วไม่เจตนาเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่เมื่อมานึกถึงความสำรวมในศีลเข้าไปอย่างนี้มันก็ทำให้ใจเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าตนรู้ว่าตนเป็นคนดีนี่ มันก็เบิกบานใจใจก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อตนภาวนาเข้าไปใจที่เคยอ่อนแอมาตะ ก, ก่อนก็ฝึกให้เข้มแข็งให้มันตั้งมั่นลงไปต่อกุศลธรรมให้ได้ไม่ให้ใจมันโอนเอ็งไปทางชั่วให้มันตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดี ต, ต่างๆที่ตนบําเพ็ญมาอย่างนี้ จิตนี่มันก็เข้มแข็งขึ้นแล้ววันนี้นะมันได้กุศลคุณงามความดีเป็นเพื่อนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่แล้วอย่างนี้นะ ม, มันก็มีกำลังเข้มแข็งมเมื่อใจนี้ตั้งมั่นมีกำลังเข้มแข็งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณละ่ะสติปัญญาในก็เกิดขึ้นเลยวันนี้นะความคิดก็ว่งว้ รับพลั้นรู้อะไรก็รู้ได้เร็วเมื่อเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมดังกล่าวมานี้แล้วก็จะเป็นคนอาชนัยได้แบบนี้น ะ, ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นพุทธบริษัททางหลายจงบำเพ็ญตนเป็นคนอาชนายัยเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่าย แล้วฝึกใจของตในให้เข้มแข็งฝึกร่างกายให้เข้มแข็งอย่าให้เป็นคนอ่อนแอร่างกายนี่มันจะเข้มแข็งได้ก็อยู่ที่บุคคลมารู้จักบำรุงรู้จักกายบริหารฝึกตนเช่นตื่นนอนมาอย่างนี้นะ อาบน้ำแต่เช้าเลยอย่างนี้นี่ก็เป็นยาขนาดหนึ่งนะนั่นแหละอาบน้ำแต่เช้าแล้วก็โอ้ชำระร่างกายสะอาดกระชุ่มกาะชวยจิตใจก็เบิกบานแล้วก็ออกกำลังกายพอสมควรเช่นทำกิจการงานต่างๆนี่ สำหรับผู้ครองเลือนแล้วบางคนนะ่ะมีความสุขสบายมากมีเงินหลายอย่างนี้แล้วก็ไม่ไม่อยากออกกำลังกายไม่อยากทำงานอะไรให้เน็ตเหนื่อยไม่ลาเลยอย่างนี้นั่นก็ไม่ดีมันทาให้สุขภาพของร่างกายอ่อนแอลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นต้องออกกำลังกายต้องเดินบ้างต้องทำโน่นทำนี่บ้าง เออเข้าไปเพื่อให้เลือดลมมันวิ่งสะดวกนั่นแหละดูสิข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายทําความเพียรในอิริยบททั้งสี่เมื่อนั่งเหนื่อยแล้วก็ต้องเดินบ้างแบบ น, นี้นะเมื่อเดินเหนื่อยแล้วก็ดืนบ้าง เมื่อยืนเหนื่อยแล้วก็นั่งบ้าง้อนั่งเหนื่อยแล้วก็นอนบ้างนี่สำหรับผู้ทาความเบียนทาง จ, จิตใจไม่ใช่ว่าทรงสอนให้เป็นนั่งอยู่นั้นนเอีริยาบทเดียวตลอดเวลาไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบทให้สม่าเสมอกันไปนี่ เมื่อทำได้อย่างนี้มันก็รักษาสุขภาพอนามัยไว้ได้ร่างกายก็แข็งแรงโรคภัยก็ไม่ค่อยเบียดเบียนทาง จ, จิตใจก็ต้องให้ร่าเริงบันเทิงอยู่ด้วยกุศลธรรมอย่าไปมัวคิดตั้งแต่เรื่องอดีตอนาคตในเรื่องที่ผิดหวังเรื่องสมหวังมาเมื่อคิดถึงเรื่องผิดหวังแล้วก็ เศร้าใจบอกกลุ้มใจขึ้นมาไอ้นี่เมื่อขาดการสำรวมจิตใจอย่างว่านิลากะเมื่อกำลังใจมันอ่อนแอลงไปแล้วร่า ง, ง, งกายก็อ่อนแอไปตามกันคิดมากนอนก็ไม่หลับทีนี้นั่นแหละมันจะกลายเป็นโรคประสาทเพราะฉะนั้นการสำรวมจิต ให้ล่าเริงบันเทิงอยู่ในกุศลธรรมต่างๆระลึกถึงกุศลคุณงามความดีนี่แหละเป็นอารมณ์ไอ้เรื่องชั่วอย่าไประลึกถึงมันจะไประลึกทําไมละ่ะก็ต้นเกลียดมันแล้วไม่ใช่หรือทําไมไปนึกหามันอะเรื่องชั่วก็คือเรื่องรักเรื่องชังนั่นแหละ ถ้าสรุปถ้ารวมๆกิเลสต่างๆเข้ามาแล้วนะมันก็อยู่ที่ความรักกับความชังนั่นแหละถ้าไม่รักมันก็เอียงไปชังอย่างนี้นะถ้าไม่ชังมันก็เอียงไปหาความรักอย่างนี้นี่สำรวมจิตของตอนไว้อย่าให้มันเอียงไปในอารมณ์สองประการนี้แล้วจิตนี่มันก็ล่านะเริงบันเทิงและเบิกบานอยู่เอ้า มันก็เบิดวันจริงๆนะผู้ใดทํานะผู้นั้นรู้ได้เลยเมื่อผู้ใดไปผูกพันอยู่กับสิ่งใดด้วยความรักความใคร่ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปอยู่กับสิ่งนั้นนะเพราะว่าอยากได้นี่อยากได้แต่เราหาเอาไม่ได้ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เอาสมมติว่าท้าหาได้มาแล้วของสิ่งที่ตนชอบใจนั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยง ได้มาแล้วก็มีเสื่อมไปสิ้นไปพอมันเสื่อมไปสิ้นไปเอาเดือดร้อนแล้วเป็นทุกข์แล้วความชังก็เหมือนกันนะเมื่อตอนเกลียดใครชังใครมานึกถึงเวลาได้กลุ้มใจโทรมนัดคับแ้นใจหาความสบายใจไม่ได้เลยนี่แหละคนเราที่ จะประสบความทุกข์ความเดือดร้อนทางจิตใจอยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็เพราะมันไม่สํารวมใจอย่างว่านั่นแหละขาดการสํารวมจิตปล่อยจิตให้เอียงไปข้างรักปล่อยจิตให้เอียงไปข้างชังสรุปธรรมะลงแล้วนะวันนี้อ่ะให้พึ่งถือเอาใจความอันนี้ให้ได้วันนี้ แสดงถึงเรื่องความสำมรวมนี่นะี่จำเอาไว้ให้ได้ผู้ฟังทั้งหลายนะ่ะการสำมรวมนี่มันขึ้นอยู่กับสติความระลึกได้นี่ก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดอะไรกับใครที่ไหนอย่างนี้นะก็ต้องคิดซะก่อนต้องระลึกซะก่อนว่าการที่เราจะทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ ผิดศีลผิดธรรมหรือไม่หรือไม่ผิดอย่างนี้เมื่อระลึกได้ว่าไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็จึงค่อยทําค่อยพูดไปถ้าเห็นว่าผิดก็งดไม่ทําไม่พูดออย่างนี้เมื่อรูปมากระทบตาก็ฝึกให้กําหนดรู้เท่าทันรูปนั้นให้ได้เมื่อเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสอะไร มากระทบหูจมูกกลีนกายนี่เข้าไปก็หัดมีสติระลึกรู้เท่าทรรได้อย่าท่านให้ใจมันยินดียินร้ายไป <c oughs> ถ้าปล่อยใจให้ยินดียินร้ายไปแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดราคะตัณหาขึ้นถ้ายินดีนะถ้ายินร้ายมันก็เกิดโทสะพยาบาทขึ้นมาถ้าไม่สำรวมไม่ระ ง, งับอ่ นั่นก็เป็นเหตุให้กระทากรรมอันชั่วชารามกใส่ตัวเองทําตนเองและผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปนี่การข่าวการสํารวมระวังนะเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> ทีนี้ถ้าพูดถึงการข่าวการสํารวมระวังภายนอกเดินตามถนนห น, นทางไปมัวแต่คิดมัวแต่ส่งกีไปทางอื่นเพลินไปออ ไม่ระมัดระวังรถลาเข้าไปเดินเข้าผิดทางอ่ะเดินผิดทางจราจรอ้าวรถชนเอาตายนี่โทษขาดการสำรวมระวังมันย่อมมีโทษมากมายก่ายกองพูดถึงโทษแล้วแน่นอนและมูลเหตุมันเกิดมาจากขาดการสำรวมระวังนี่แน่นอนเลยทีเดียว ผู้นั้นไม่พยายามสำรวมระวังกายวาจาใจของตนเรื่อยมาแต่ก่อนนี้นึกว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้ความคิดเล็กๆน้อยๆความคิดไปในทางที่ไม่ดีนั่นนะทีแรกก็คิดนิดๆหน่อยๆ น, นึงคงไม่เป็นไรอะ <c oughs> อย่างนี้นะแล้วไม่เตือนตนไม่ห้ามตนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดมันไม่อยู่ที่เก่าเด้กว่านี้นะ มันไม่อยู่เท่านั้นนะ่ะเมื่อมันมีเหตุปัจจัยภายนอกกระทบมากมาๆเข้ามาแล้วความคิดชั่วต่างๆนะั้นมันก็มากขึ้นมากขึ้นเลยวะนี้พอมันมากขึ้นพอๆมีกําลังกล้าขึ้นแล้วอาจจึงจะมาสํารวมเนี่ยยากเต็มทีแล้วห้ามจิตไม่อยู่แล้วนั้นคนเราที่จะได้ทําความชั่วนะ่ะมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันอนะ ตั้งแต่ไฟบุรีเ่เฉยๆนี่มันยังไม่อาคารหลังใหญ่เบอ้อเล่อหรือไฟประทูปไฟทูปเทียนเฉยๆนี่จุดบูชาพระอย่างนี้แล้วเมื่อบุคคลไม่สำรวมระวังนะไม่ดับเวลาจะออกจากที่ไหว้ที่กราบนะแล้ววันนี้ก็ไม่ทำความสะอาด ไอ้สถานที่สักการ บ, บูชาเช่นแท่นพระอย่างเนี่เอาเอซองกระทูบที่ใช้แล้วทิ้งเกลือนกาดไว้ตามนั่นอย่างงี้นะเอาเทียนที่ใช้แล้วนั่นทิ้งและเกลากาดไว้ตามหมู่นั่นนะเอาพอเทียนมันลม้มลงหรือว่ากระทูมันลม้มลงไปติดซองกระทูปเปล่าหมู่นั่นเข้าติดเทียนเก่าๆหมู่นั่นเข้า มันก็ลุกเป็นไฟขึ้นเนยะลุกเป็นเปลวขึ้นแล้วก็ไปติดไปตามผ้าผ่อนอะไรต่ออะไร ห, หมดนั้นนะกลมไม่อาคารหลังใหญ่โตนั้นให้วอดลงไปได้ น, ะนี่แหละให้พึ่งพาการเปรียบเทียบดูไอ้ความที่เมื่อตอนคิดเป็นบาปเป็นโทษขึ้นมานิดนหน่อยแล้วไม่ระมัดระวงังไม่กำหนดละมันนะ่ะมันก็ มากขึ้นมากขึ้นแล้ววันนี้ก็ทำให้คนเรานั้นทำความชั่วได้หลายอย่างดังกล่าวมานั่นแหละถึงกันกับฆ่าพ่อข่าแม่ได้ดังอธิบายมาแล้วนั่นแหละนี่เมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังคำตักเตือนอย่างนี้แล้วก็อย่าพากันประมาทให้พึ่งพากันฝึกสติสัมปชัญญะนี่กากับอยู่กับตัวของตัวเสมอเ ส, สมอไป <c oughs> ยืนเดินนั่งนอนกินเดิมพูดจาทำการงานอะไรเข้าสังคมในไหนก็ดีต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังตนอยู่ตลอดเวลาระวังความชั่วมันจะเข้ามาแทรกแซงในจิตใจเนี่ยไม่ใช่ระวังอย่างอื่นนะเพราะว่าในสังคมหนึ่งหนี่นมันไม่ใช่มีแต่ดีรุนนะ่นรุ่นนอ บางทีมันก็มีชั่วแทรกเข้ามาเนี่ยผู้ใดไม่สำรวมกายวาจาใจของตนแล้วกา็แน่นอนนล้ก็ต้องวันไว้ไปตามความชั่วนั้นเป็นเดชได้ทําชั่วได้เลยถ้าหากว่าผู้ใดมีสติสัมรชัญญาสำรวมระวังตนอยู่เสมอเสมอไปดังกล่าวมานี่แหละผู้นั้นนะจะไม่ได้ทําความชั่วในที่นั้นนั้นเลย แล้วกุศลคุณงามความดีของผู้นั้นก็ไม่ได้เสื่อมจากกิจใจเพราะว่าตนไม่ได้สะสมเอาความชั่วเข้ามาเผาผ่านความดีให้วอดวายไปปัดความชั่วออกจากตัวอยู่เสมอรักษาเอาแต่บุญกุศลความดีไว้รักษาสติปัญญานี้ไว้ในใจเสมอไปคนเราเมื่อมีปัญญาแล้วก็หาทรัพย์ได้คนว่า แล้วก็สามารถรักษาทรัพสมบัติ น, นั้นไม่สูญหายได้ก็เพราะมีปัญญาเนี่ยเมื่อปัญญาแค่อย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันทำความดีได้ทุกอย่างพูดง่ายๆตลอดถึงโลกุตระธรรมนั้นบุคคลจะได้จะถึงก็เพราะอาศัยปัญญานี้แน่นอนเลยทีเดียวทีนี้อันปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เกิดได้ด้วยสามทาง คือปัญญาเกิดจากการศึกษาเรียนท่องบนจดจาเอาวิชาความรู้ต่างๆทั้งทา ง, ทางโลกและทางธรรมเมื่อจำเอาวิชาความรู้นั้นได้แล้วก็น้อมเข้ามาพิจ า, ารณาอยู่ภายในจิตใจทบทวนความรู้ความจำอนั้นเช่นความรู้ในทางธรรมะอย่างนี้นะเมื่อตนเรียนตนจำเอาได้แล้ว ตนเรียนตนจำเอาได้บทใดหมวดใดแล้วอย่างนี้ก็น้อมเข้ามาเพิจารณาข้ออัดข้อธรรมนั้นเป็นข้อข้อไปเลยธรรมะข้อนี้มีความหมายว่าอย่างไรในทางปฏิบัตินะยกตัวอย่างเช่นสติอย่างนี้นะจะให้ใช้ในเวลาไหนอย่างนี่ตัวเองครตั้งปัญหาถามตัวเองอ ถ้าตนเองได้เรียนมาก็ตอบตัวเองได้สติจะต้องใช้ในเวลาก่อนทําก่อนพูดนี่หรือใช้ในเวลาที่ตายเห็นรูปเป็นต้นเร่งนี้ก็ต้องมีสติรู้เท่าทันตากับรูปนั้นสมปัญญะล่ะใช้ในเวลาไหนสมปัญญะใช้ในเวลาสติระลึกได้ เรารลึกว่าในขณะนี้เราจะต้องทำการงานอันนี้อย่างนี้แนละ้วต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่สัมปทญญะจะต้องวินิจฉัยว่าการงานอันนีนะ้เราจะต้องทำอย่างไรมันถึงจะสำเร็จได้ใน ation, ในี้เมื่อเราวินิจฉัยไปมันก็รู้มันก็เห็นรูเห็นทางไปอ๋อเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นมันถึงจะสำเร็จลงไปได้นี่เป็นหน้าที่ของสัมปทาญะอันนี้นะ เมื่อสมปชญญัญะระลึกได้อย่างนั้นแล้ววันนี้ก็ต่อจากนั้นก็ลงมือทําอ่ะนี่แล้วพูดในทางธรรมะปฏิบัติเช่น อ, อย่างว่าเราสมปชัญญะมันวิฉัยวินิฉัยได้แล้วว่าอจิตนี่ถ้าหากว่าไม่ทําให้มันสงบอย่างนี้มันจะไม่มีปัญญาเลยอย่างนี้นะเอดังนั้นเราจะต้องทําจิตให้สงบลงไปก่อ น, นพอระลึกได้รู้ได้อย่างนี้แล้ว ต่อจากนั้นไปก็พยายามเพ่งจิตนี้เจริญพระกรรมฐานตามที่เราํำนี้จำนานมานั่นแหละเจริญกรรมฐานเข้าไปให้กรรมฐานปรากฏแจ่มแจ้งขึ้นในใจเมื่อใจเห็นแจ้งในกรรมฐานนั้นแล้วใจมันก็สงบลงอ่ะอ่เช่นอย่างว่าเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอย่างนี้เมื่อสติ มันรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นได้ชัดเจนแล้วอย่างนี้ใจมันก็กําหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นมันไม่คิดไปทางอื่นแล้วมันเห็นลมเห็นเห็นลมหายใจเข้าออกแจม่มแจ้งอยู่อย่างนั้นแล้วนะนี่แหละการฝึกจิตใจให้สงบมันต้องให้จิตเห็นแจ้งในกรรมฐานอันใดอันหนึ่งถ้าว่ามันเห็นแจ้งในอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งภายในนี่ มันก็จ้องอยู่ในอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนนั้นนหละส่วนที่เห็นน่นแะมันก็ไม่คิดไปทางอื่นน่ะอมันก็สงบอยู่ในนิมิตอันนั้นแหละนี่วายวิธีทําใจให้สงบให้พึ่งพากันจําเอาไว้แล้วลงมือกระทําำพอทําใจให้สงบลงไปได้แล้วปัญญามันก็เกิดขึ้น ก็สามารถที่จะเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่คือเห็นว่าการเกิดมาในโลกนี่นะ่ะมันเป็นทุกข์เหลือเกินนะ่ะทุกข์เพราะมันแก่มันสํารุดสุดโทมร่างกายนี้มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทุกข์เพราะโรคภัยเบียดเบียนร่างกายนี้ให้เป็นปกติอยู่ไม่ได้ทุกข์เพราะรู้ว่าตนร่างกายนี้มันจะแตกจะดับ เสียดายมันอะไรมันนี่แหละที่ว่าเกิดมาในโลกนีแลามันเป็นทุกข์นั่นน่ะทุกเบ็ดตเตล็จกวนนี่ก็ยังมีอยู่เยอะแย ะ, ะนั่นแหละต้องเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันต้องมองเห็นทุกข์ในชีวิตนี่มากมายกายคองแหละมันนี้ก็มองเห็นว่าทำไมมันถึงได้มาเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ดวงกิอันนี้หมายถึงดวงจิจอันนี้ มาเป็นทุกข์อยู่กับร่างกายอันเนี้ยมันมีมูลเหตุมาอย่างไรอ่ะมูลเหตุมันก็ไมา่จากตัณหานั่นเลยเมื่อตอนมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจขึ้นมาแล้วก็ไม่ยอมละความอยากอนั้นเลยมันก็กลายเป็นอุปาทานในวันนี้นะเยืดถือเอาไว้แหละ เห็นเขามีเงินมีทองมากๆมีเกียรติมียศนว่าตนก็อยากมีก็เขาอย่างนี้นะแล้วก็ทำบุญกุศลทำความดีไปเอาบุญกุศลก็ตกแต่งให้ให้ได้มีลาบมียศมีสรรเสริญอะไรเข้าไปแต่ว่าลาบยศสรรเสริญเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงมันนี่นะเมื่อมันวิบัติแปลปวนไปมันก็เป็นทุกข์แล้ววันนี้นั่นมันเป็นอย่างนั้นอันตัญหาอันนี้นะ เมื่อไม่ละมาแล้วมันก็กลายเป็นอุปทานอุปทานเมื่อยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ทํากรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวกรรมดีกรรมชั่วมันก็นําดวงขีวิญญาณนี้ให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่รู้จักจบจักสิน้นนี่แหละตัณหาเป็นเอตให้เกิดทุกข์ปัญญาเกิดขึ้นแล้วมองเห็นตัณหานี่แล้วมันก็ละตัณหานี่ให้เบาบางออกไปเรื่อยๆปรเดี๋ยวจนกลัวมันจะหมด เมื่อหมดตัณหาก็หมดทุกทางใจการที่เราภาคเพลียรพยายามบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติสำหรับคารึงหัก็ให้ทานรักษาสิ้นภาวนาสำหรับนักบวชก็เจริญสินสมาธิปัญญาให้เต็มความสามารถของตอนอันนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้รู้จักข้อวัดปฏิบัติอันเป็นหนทางพ้นจากทุกข์ เพราะมันรู้แจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วมันไม่ถอยการปฏิบัติเนี่ยรักษาสินก็พยายามรักษาให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆพรามันรู้แล้วนี่รู้ว่าสินนี่ควรรักษารู้แล้วนี่ว่าสมาธิควรบาเพ็ญรู้แล้วว่าปัญญานี่ควรจะเจริญให้เกิดให้มีขึ้นถ้าบุคคลใดไม่เจริญข้อปฏิบัติเหล่านี้แล้วก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ไปได้เลย นี่มันรู้อย่างนี้นะมันจึงบำเพ็ญข้อปฏิบัติไม่ทอไมาถอยดังบรรยายมา